ขอนอบน้อมพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ขอกลาบครูบาอาจารย์ก็กลาบนมัสการหลวงปู่กลมอาจารย์วัฒนชัยแล้วก็อาจารย์ตุม้มรวมถึงพันเตแล้วก็มูสงแล้วก็จเจริญไม่ขี่แล้วก็ญาติโยมทุกคน <c oughs> <c oughs> ก็เหมือนอุ ป, ปอมาว่า <c oughs> ขับรถอยู่ดีๆเนาะเออสมัยอาตมาขับรถอยู่ขับตามหลังรถสิบล้ออะไรประมาณานี้ยแล้วก็ปรากฏว่ามีก้อนหินกระเด็นถูกกระจกอแล้วมันเกิดอะไรขึ้นก็ก็กระจกลาวเนาะแล้วก็ก้อนหินก็กระเด็นไปอีกทางหนึ่ง แล้วทำไมอาตามาต้องพูดเรื่องอย่างนี้ก็พูดความจริงที่ปรากฏให้เราเห็นใช่ไหมก้อนหินมันอยู่ดีๆมีอะไรไม่บีบคั้นมันใช่ไหมมันก็กระเด็นพอกระเด็นมันก็ถูกกระจกกระจกถูกกระแทกก็แตกเห็นไหเป็นเป็นขั้นเป็นตอนของมันนนะ่ะเนาะไม่ใช่ว่ากระจกแตกอยู่ๆมันจะแตกได้มันจะต้องมีเหตุนะก้อนหินก็ไม่ใช่ว่าอยู่ๆมันจะ ประเด็นออกไปได้มันก็ต้องมีเหตุนะเพราะฉะนั้นเมื่อมีเหตุอย่างนี้ก็ส่งผลมาอย่างนี้นะก็อุปมาใครกับอตาตมาหละอยู่ดีๆก็ไม่รู้หรอกอาจารย์ก็นิมนต์ให้เทศเนาะพอเทศก็ น, นึกอะไรไม่ได้ก็ น, นึกอดีตขึ้นมาได้ก็พูดไปอย่างนั้นไปก่อนนะเพราะนั้นเมื่อเทศแล้วซึ่งการเทศแบบนี้เป็นการเทศสดนะไม่มีการเตรียมตัวล่วงหน้าไม่รู้หรอกว่า เอออะไรจะเกิดขึ้นนะเพราะฉะนั้นเมื่อได้รับการนิมนต์ให้เทศอ่าเดิมใจมันก็อาจจะนิ่งนิ่งอยู่เนาะพอเสียงกระท้หูบอกให้เทศอ่าความคิดก็ผุดปีติขึ้นมาจะพูดเรื่องอะไรดีมันก็เป็นความระลึกได้อย่างหนึ่งก็อย่างที่เล่าอะ่ะเนาะออก็อีกอย่างหนึ่งบางทีเรื่องเรื่อ ง, เ ร, องเรื่องธรรมชาติเรื่องปัจจุบันเนี่ย ก็เคยนึกถึงคนเหมือนกันนะบางคนแบบอารมณ์ดีดีพูดก็ไม่ค่อยเก่งเนาะแต่พอคนพูดไม่เข้าหูปั๊บเนี่ยโอ้ไม่รู้อารมณ์มันมาจากไหนเร็วปีดเลยก็ด่ากลับไปทันทีเลยเหมือนกันเออมันก็เป็นเรื่องปัจจุบันทันด่วนซึ่งไม่ได้เตรียมการไว้ก่อนเนาะอะไรเกิดขึ้นปัจจุบันทุกอย่างมันก็มีปฏิกิริยามันก็ทางานของมันไปใช่ไหม ทีนี้อย่างเรื่องของเรื่องของกายเรื่องของใจของเราก็เหมือนกันเนาะจริงๆเนี่ยกายส่วนกายมันก็ทำงานอยู่ตลอดเหมือนกันมีการเคลื่อนมีการไหวมีตึงมีหย่อนมีแข็งมีมีร้อนมีเย็นมีหนาวก็ประมาณอย่างเงี้ยในกายเนี่ยก็ตั้งแต่เกิดจนกระทั่งถึงเวลานี้อารมณ์พวกนี้อาการอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้หายไปไหนมันก็เป็นแล้วเป็นอีกเป็นแล้วเป็นอีก อันนี้ที่เขาเรียกว่าทุกขนะ์เพราะมีการเกิดขึ้นสิ่งใดที่เกิดขึ้นสิ่งนั้นก็เป็นทุกขนะ์เพราะฉะนั้นทุกข์ในกายมันก็แปรปวนอยู่อย่างนี้วันแล้ววันเล่าไม่มีหายไปไหนนะเราจะปฏิบัติธรรมหรือไม่ปฏิบัติธรรมจะไปรู้หรือไม่รู้แต่อาตารเหล่านี้มันก็ยังทำงานอยู่มันก็เป็นอย่างนี้ส่วนจิตใจก็เหมือนกันจิต จิตใจเอมันก็เป็นสัมนวนภาษาเนาะจิตจิตมันก็มีหลายหลายหลายหลายหลายดวงจะเรียกหลายดวงก็ได้แต่ว่ามันแล้วแต่มันทําตามหน้าที่ของมันอะไรเช่นจิตรู้ก็ทําหน้าที่รู้จิตคิดก็ทําหน้าที่คิดจิตโกรธก็ทําหน้าที่โกรธจิตรักจิตเบื่อจิตชังอะอารมณ์ทางจิตต่างๆมันก็ทําหน้าที่กันไปนะซึ่งพวกเนี้ยล้วนแต่เป็นสิ่งที่ปรุงแต่งเกิดดับ มันก็เป็นทุกข์เหมือนกันเพราะมีการเกิดขึ้นใช่ไหมอารมณ์ใดๆที่เกิดขึ้นอารมณ์นั้นเขาเรียกว่าทุกข์เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นสิ่งใดที่เกิดขึ้นสิ่งนั้นเป็นทุกข์เพราะฉะนั้นทั้งกายทั้งใจมันก็ล้วนแต่เป็นทุกข์ทั้งนั้นเนาะเราก็ได้ยินได้ฟังครูบาอาจารย์ท่านสอนตามหนังสือที่เคยได้เรียนได้อ่าน ก, ก็พูดเรื่องทุกข์แล้วก็พูดถึงเรื่องกายเรื่องใจทีนี้ทุกข์เหล่าเนี้ย มันมีอยู่มันมีอยู่จริงๆใครจะรู้หรือไม่รู้จะดูหรือไม่ดูทุกนี้ก็มีอยู่แต่ถ้าเราดูมันจะเกิดประโยชน์อย่างไรนะก็เกิดประโยชน์ก็คือไปเห็นความจริงของทุก์พราะทุกเนี้ยมันมีลักษณะอย่างเนี้ยมันมีอาการอย่างนี้นะแปลปรวนเปลี่ยนแปลงกลับไปกลับมานะมันก็ตั้งอยู่ไม่ได้นานมันก็เปลี่ยนตลอด นะก็ไม่สามารถที่จะตั้งเป็นตัวเป็นตนได้นะมีแล้วก็ดับไปมีแล้วก็หายไปนะมันไม่สามารถจะตั้งเป็นตัวเป็นตนที่จะให้อยู่นานได้ทีนี้เมื่อเราได้เห็นอย่างนี้แล้วเนี่ยก็จะเห็นความจริงของมันว่าอ้อมันเป็นอย่างนี้เองนะมันเป็นอย่างนี้เองอะไรเกิดขึ้นก็ดับไปอะไรก็เกิดขึ้นดับไปนะเมื่อเราเห็นแล้วเห็นอีกเห็นบ่อยๆเนี่ยนะที่เขาเรียกว่าการ อทําให้เกิดปัญญาเนี่ยก็คือใจมันก็ค่อยๆถอดถอนยอมรับความจริงมากขึ้นว่าเอออะไรก็ตามที่เป็นอาการทางกายก็ดีที่เป็นอาการทางจิตก็ดีนะมันมีลักษณะอยู่อย่างเนี้ยนะจิตค่อยๆมีปัญญาขึ้นไปตามลําดับตามลําดับแล้วมันก็ค่อยๆถอดถอนแล้วก็เกิดการเบื่อหน่ายเบื่อหน่ายที่จะไปยึด ยึดมั่นถือมั่นเพราะมันรู้อยู่แก่ใจเนี่ยว่ามันยึดอะไรไม่ได้นะถึงอยากให้มันมีอยู่มันก็ไม่มีมันไม่มีก็อยากให้มีมันก็ทำไม่ได้ออนะเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยใจมันก็ยอมไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยเื่อยถอดถอนก็จนหมดหวังหวังอะไรไม่ได้อีกแล้วจากกายจากใจนะหวังจะให้เป็นไปปราตามปรารถนาของเราก็ไม่ได้อีกแล้ว หวังไปก็ผิดหวังเพอรอาะทำไม่ได้ตามที่ใจหวังนะเหมือนกับที่สวดอนัอนอาัตตลักขณสูตรเนี้ยอะไรก็ไม่เที่ยงอะไรก็เป็นทุกข์อะไรก็ไม่ใช่ตัวตน อ, อนะที่ถามที่คุยกันว่าที่มีพระพุทธเจ้าได้แสดงธรรมกับปัญจวัคคีย์ทั้งห้าใช่ไหอนัตตลักขณสูตรก็ได้พูดถึงเรื่องขันห้า อ, อืาว่าขันห้าเนี่ย มันเป็นมันเป็นอนัตตาใช่มรูปรูปก็เป็นอนัตตาเวทนาก็เป็นอนัตตาสัญญาก็เป็นอนัตตาสังขารก็เป็นอนัตตาวิญญาณก็เป็นอนัตตามันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนเพราะว่าถ้าเป็นถ้ามันใช่ถ้าเป็นเป็นตัวเป็นตนแล้วเนี่ยเราก็ต้องหวังให้มันเป็นไปตามที่เราปรารถนาได้ใช่ไหมอย่างรูปอย่างเนี้ยหวังให้เป็นอย่างนั้นให้เป็นอย่างนี้ อย่าแก่อย่าเจ็บอย่าตายาก็หวังไม่ได้เมื่อหวังไม่ได้มันก็จะเรียกว่าเป็นอัตตาได้ยังไงใช่ไหมมันก็เป็นอนัตตา <ừ> um. ส่วนเรื่องรูปไม่เที่ยงขันห้าไม่เที่ยงก็เหมือนกัน เ, เมื่อมันแปลปวนอยู่อย่างเนี้ยมันมันเที่ยงหรือไม่เที่ยงปัญจวัคคีย์ก็บอกว่ามันไม่เที่ยงแล้วเมื่อมันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์หรือเป็นสุขปัญจวัคคีย์ก็บอกว่าก็มันก็ไม่มันก็เป็นทุกข์ แล้วเมื่อมันเป็นทุกข์ถามต่อกันไปอีกเมื่อมันเป็นทุกข์เนี่ยควรหรือจะยึดว่ามันเป็นเราเป็นของเราปัญจวัคคียทั้งห้าก็บอกว่าไม่ควรเนี่ยเนี่ยมันเป็นเรื่องของขันห้าที่มันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนนะมันเต็มมันเป็นไปตามกฎของธรรมชาติคืออยู่ภายใต้กฎใจหลักนะเมื่อมันเป็นอย่างเนี้ยก็มีปัญญาอย่างที่บอกปัญญาแล้วไม่ยึดมั่นถือมั่นไม่อะไรนะเพราะฉะนั้นที่พวกเรา ฝึกสติกันเนี่ยจเจริญสติกันก็เพื่อให้เห็นตรงนี้แหละเพราะว่าถ้าเราขาดสตินั่นหมายถึงว่าใจเราเลื่อนลอยนะใจเราเนี่ยหลงไปไปรู้ข้างนอกนะไม่กลับมารู้ภายในกายภายในจิต่นะเมื่อหลงไปรู้ข้างนอกก็ทำให้ไม่รู้ข้างในก็ไม่เห็นกายไม่เห็นจิตก็ไม่เห็นความเป็นไตรลักษณ์ของมันเพราะนั้นถ้าเราฝึกสติเนี่ยสติก็คือความระลึกได้นะ สัมปชัญญะคือความรู้ตัวก็ระลึกได้ที่กายที่ใจมารู้ที่เนื้อที่ตัวนี่แหละแล้วก็จะเห็นความจริงนะทีนี้รูปแบบที่เรามาฝึกกันเนี่ยอาตมาก็โตมาจากการยกมือแบบนี้แหละนะถ้าพูดถึงอดีตตอนที่เป็นคารวาสนะขอเล่านิดหนึ่งไม่ได้เล่ามานานแล้วเผื่อสำหรับโยมผู้ใหม่นะว่าทำไมอาตมาถึงมาสนใจเรียนรู้ธรรมะ นะแต่เดิมทีเนี่ยไม่ได้รู้ไม่ไม่ไม่ไ ม, ไ ม, ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่มีความคิดที่จะรู้ธรรมะขั้นขั้นภาคปฏิบัติแต่รู้เพียงว่าเราอยู่ในสังคมอยู่ในโลกเนี่ยความประพฤติเนี่ยคิดเอาเองนะความประพฤติเนี่ยคิดว่าไม่ใช่เลวร้ายอะไรเพราะว่าบุหรี่ที่เคยสูบนิดหน่อยก็หยุดไปแล้วนะเหล้าที่เคยดื่มนิดหน่อยก็หยุดไปแล้วแล้วก็ส่วนการเที่ยวกันอะไรก็ไม่ค่อยมี นะเมื่อเป็นอย่างนี้เรารู้สึกว่าเราก็เป็นคล้ายๆว่าเออก็เป็นคนที่คนดีในสังคมอ่ะนะเพราะว่าไม่ได้ทําให้ตัวเองเดือดร้อนหรือไม่ได้ให้ทําคนอื่นเดือดร้อนก็เลยไม่ไ ม, ไม่ไม่คิดไม่รู้จักเรื่องธรรมะภาคปฏิบัติทีนี้มันมีมาตอนหลังเมื่อได้ทํางานเนี่ยนะทํางานความรู้สึกว่าเราเนี่ยหมกมุ่นกับการงานมากเกินไปงานไหนที่ทําในระหว่างวันไม่เสร็จ มันก็คิดมันก็คิดคิดได้ทั้งวันทั้งคืนเลิกงานแล้วมันก็กลับมาคิดที่บ้านนะตอนอยู่บ้านไม่ว่าจะอยู่ในอิริยาบถไหนจะกินจะเดินจะนั่งจะนอนงานเนี่ยมันคิดอยู่ในหัวตลอดเลยนะจนกระทั่งมันความรู้สึกมันเครียดนะมันเครียดกับตัวเองแล้วก็รู้สึกแบบไม่ไหวแล้วชีวิตอย่างเงี้ยถ้าเป็นอย่างเงี้ยมันมันไม่รู้จะทํำยังไง ก็เลยไปปรึกษาหาหมอหมอก็ถามอาการก็เล่าให้ฟังหมอก็บอกว่าไม่ได้เป็นโรคอะไรหรอกคุณคิดมากคุณเครียดให้ออกกำลังกายเยอะๆนะไปวิ่งไปออกกำลังกายอาตมาก็ก็ลองทำอะ่ะแต่นี้ว่ามันไม่ได้ผลก็คือขนาดเราวิ่งเราออกกำลังกายเนาะมันยังคิดได้อะ่ะเหนื่อยก็เหนื่อยแต่ว่ามันก็คิดไม่เลิกคิดจริงๆกินข้าวก็คิดนอนก็คิดทีนี้ก็เลยว่า ปรึกษากับพี่สาวซึ่งพี่สาวเขาก็ปฏิบัติธรรมมาก่อนอ่นะพี่สาวก็แนะนําบอกว่าทั้งนั้นลองลองมาทําอะไรนะมามาฝึกทําให้จิตว่างว่างนั้นแล้วก็ไปเอาหนังสือของท่านพุทธทาสมาให้อ่านเรื่องจิตว่างเล่มไม่ไม่ใหญ่ระหว่างที่อ่านมันก็พอบรรเทาความคิดไปได้เพราะว่าเรามีสมาธิกับการอ่านเนาะแต่พออ่านเสร็จมันก็กลับมาคิดเรื่องงานอีกแล้วก็เลยบอกอใช้ไม่ได้ ทีนี้แรกเริ่มเดิมทีเนี่ยอาตอมาก็มีความรู้สึกศรัทธาต่อท่านพุทธทาสนะแต่ว่าก็ไม่เคยพบเห็นเคยได้ยินทางสถานีวิทยุซึ่งท่านออกอาการบ่อยๆแล้วก็ฟังอยู่ก็รู้จักครูบาอาจารย์รูปเดียวแหละทศว่าไปแล้วนะรู้จักทางทางสถานีวิทยุก็เลยคิดว่าน่าศรัทธาก็เลย ก็ลองอ่านหนังสือของท่านในเรื่องคู่มือมนุษย์ก็ดีหรืออะไรต่างๆนะแล้วก็ลองมาฝึกปฏิบัติเรื่องอาณาปณะสติสิบหกขั้นดูสารบัญดูอะไรเรียบร้อยทีนี้แค่ขั้นแรกแค่ดูลมหายใจเนี่ยโอ้โหจะตายเอาอึดอัดแน่นไปหมดเลยนะทําแล้วมันอึนอดอัดแล้วก็ไม่ได้ผลเลยพี่สาวซึ่งปฏิบัติมาหลายครูบาอาจารย์แต่พี่สาวก็มาจบลงตรงที่ แนวปฏิบัติของหลวงพ่อเทียนเนาะการยกมือสร้างสิบสี่จังหวะการเดินจงกรมหรือว่าการฝึกสติกับอิริยาบถ ท, ทุกอิริยาบถเกี่ยวกับกายเคลื่อนไหวนะพี่สาวก็ลองบอกลองเอามือวางบนหัวเข่าอะไรเนี่ยทำสิบสี่จังหวะอาตมาก็เริ่มลองปฏิบัติ ด, ดูคิดว่าสักประมาณสี่ห้านาทีเองก็เห็นผลว่า ความคิดที่มันเคยไม่มันแล่นมันคิดไม่หยุดนี่นะพอเรายกมือไปเนี่ยปึ๊บปึ๊บปึ๊บเนี่ยโอ้มันระลึกได้ขึ้นมาว่าจิตมันสงบแล้วก็ระลึกได้ไว้ว่าโอ้มันไม่คิดเรื่องงานเลยมันไม่คิดเรื่องไหนมันก็ไม่ค่อยคิดเพราะใจมันตั้งมั่นอยู่กับการรู้การเคลื่อนไหวของกายพอเจออย่างนี้เสร็จแล้วอจตมาก็รู้สึกแบบโอ้ได้ผลแล้วได้ผลแน่นอนนะ พอลองเทียบกับการปฏิบัติแบบดูลมหายใจกับการยกมือแล้วมันต่างกันมากปฏิบัติแบบดูลมหายใจเนี่ยมันอันนี้เพราะเหตุเราทําไม่เป็นเองอะ น, นะไม่ได้ว่าใครผิดยังไงแต่ว่าเราทําไม่เองทําไม่เป็นเองก็คือแต่พอมายกมือสร้างจังหวะเนี่ยแล้วก็ลืมตาความรู้สึกว่ามันโล่งมันโล่งจริงๆโล่งเบาสบายโล่งแล้วก็ความคิดไม่มีแล้วก็ได้รับความสงบ พอพอใจแบบนี้โอ้พอใจมากเลยแล้วก็เริ่มทำนะเริ่มฝึกเองตอนนั้นยังไม่ได้เข้าคอร์สไม่ได้อะไรเริ่มทําเองก็ให้ผลมาเยอะแล้วละ่ะแต่ทีนี้ตอนหลังก็มีไปเข้าคอร์สที่พุทธมนตรทนจังหวัดนครปฐมน่าจะสักปีสี่สามหรือสี่สองประมาณนี้นะจําไม่ได้คราวนั้นก็มีครูบาอาจารย์เข้าใจว่าหลวงพ่อคําเขียนก็ได้ได้ออกไปอไปเผยแพร่ธรรมะที่นั่นด้วยแต่ จำไม่ค่อยได้นะแต่คล้ายๆคับคาวว่าหลวงพ่อต้องไปด้วยแล้วก็มีพระองค์อื่นๆด้วยเข้าคอร์ส3ามวันครูบาอาจารย์สอนดีมากเลยในความรู้สึกในในที่เราเรารู้สึกตอนนั้นเน่นะเพราะว่าครูบาอาจารย์เน้นมากเลยโดยเฉพาะท่านบอกว่าการยกมือแบบสิบสี่จังหวะเนี่ยขอให้เรามั่นใจนะให้มีความศรัทธาแล้วก็บอกว่าอย่าได้คิดสงสัยใดๆนะ อย่าไปคิดสงสัยเพราะครูบาอาจารย์ได้ปฏิบัติมาแล้วให้ผลมาแล้วท่านบอกอย่างนี้เลยบอกว่าให้ศรัทธาให้ทำแล้วอย่าไปสงสัยว่าทำแล้วได้อะไรทำแล้วเป็นยังไงอาตมาก็เชื่อฟังแล้วก็ก็ปฏิบัติตามนั้นสามวันประมาณสองสามสามวันอะ่ะสามคืนประมาณนี้ระหว่างที่ปฏิบัติมันก็คือเราไม่มีปัญญานะแต่ว่าว่าไปแล้วเนี่ย ถ้าพูดถึงสติเนี่ยสติมันเกิดแล้วแหละคือระลึกได้เรื่องกายเรื่องใจนะจิตมันไปรู้อารมณ์แล้วแหละอะมันเป็นรูปเป็นนามไปแล้วแต่เราไม่มีปัญญาแต่รู้อย่างเดียวว่ามันเหนื่อยก็เหนื่อยเนาะง่วงก็ง่วงเบื่อก็เบือเบ่อมันก็มีแต่สงบมันก็มีเหมือนกันแล้วปวดเมื่อยเนี่ยเหมือนกับโยมแหละปวดเมื่อเ ย, เ, อนย เ, อเน็บชาเบือ่อความคิดอะไรมันก็ผุดขึ้นมาบ้างอยากจะอย่างงน้นอย่างนี้แต่สิ่งที่มันให้ผลมากก็คือกําลังของสมาธิ นะมันเป็นสมาธิเป็นสมาธิที่มีมากเลยแหละเพราะว่าความรู้สึกว่าพอเราออกจากคอร์สเนี่ยเรากลับเดินทางมาผ่านกรุงเทพเนี่ยรถรามันติดแต่ว่าจิตมันนิ่งจิตมันนิ่งเห็นข้างนอกนี้งเงียบกริบไปหมดเลยจิตไม่กระวนกระวายไม่เดือดร้อนด้วยจิตมันตั้งมั่นจริงๆนะไม่ใจไม่วาวุ่นอะ่ะเป็นอย่างนี้เสร็จแล้วก็เห็นผลเห็นผลมากเลย แล้วก็หลังจากนั้นมานะหลังจากที่เข้าคอร์สครั้งแรกจนว่าไปแล้วก็จนกระทั่งบัดนี้อ่ะนะรูปแบบของกรรมฐานเนี่ยไม่เคยทิ้งสักวันเดียวไม่เคยทิ้งสักวันเดียวอันนี้ที่พูดไปไปก็เพื่อให้กําลังใจกับโยมโยมอ่มนะเนาะเพราะว่าเราปฏิบัติมาเนี่ยว่าสิ่งที่เราปฏิบัติมาเนี่ยเราด้วยความฉันทะด้วยความพอใจนะเราก็จึงมีความเพียรปฏิบัติไม่เคยเว้นสักวันเดียวตามรูปแบบ รูปแบบบ้างนอกรูปแบบบ้างแล้วแต่เหตุการณ์อย่างอิริยาบถ ท, ทุกอิริยาบถเนี่ยเดินยืนนั่งนอนโคเหยียดขึ้นไหวเนี่ยการเข้าห้องน้ำการดื่มการเคี้ยวการกลืนอาหารนี่เอามาใช้หมดเลยเพราะว่าตอนที่เข้าคอร์สเนี่ยครูบาอาจารย์ได้แนะนำวิธีปฏิบัติมาหมดแล้วเราก็เอามาใช้มาใช้จริงๆอืมมันก็ให้ผลในระดับหนึ่งแต่ที่มีผิดก็มีนะ จะพูดถึงเรื่องความผิดในการปฏิบัติให้โยมฟังเผื่อจะเป็นเป็นอุทาหรณ์เหมือนกันสิ่งที่อตาตมาผิดก็คืออตาตมาเพ่งมากเกินไปแล้วก็โดยเฉพาะตามตำราเนี่ยท่านบอกว่าให้ดูความคิดให้ดูความคิดคำว่าดูความคิดตรงนี้เราตีความหมายผิดก็หมายความว่าแทนที่เราจะดูแบบ ดูแบบเบาๆหลวมๆสบายๆอะไรเนี่ยกลับไปเพ่งมันระหว่างเดินจงกรมนะระหว่างเราเดินจงกรมเนี่ยเราก็เดินไปรู้กายเคลื่อนไหวแต่เมื่อดูความคิดนี่จิตมันส่อ ง, งมันส่งเข้ามาข้างในเลยมันดูที่เพ่งในอกเลยเพ่งเลยว่ามันจะคิดอะไรคือดักดูมันจ้องมันเลยมันก็ไม่คิดใช่ไหมแต่ว่าเมื่อเราปฏิบัติต่ตอเนื่องนานๆเนี่ยมันจะเกิดอาการแบบหัวมันมึน มันทื่อมันทื่อมันมึนมันปวดหัวแล้วก็มันมันหลายอย่างแต่ก็ยังไม่รู้ว่ามันผิดนะรู้ว่าเอ้ยมันก็ไม่คิดถูกแล้วเพราะเมื่อก่อนนึกว่าการปฏิบัติธรรมเนี่ยจะต้องไม่คิดนึกว่าอ๋อมันไม่คิดนี่มันก็คงถูกแล้วเนาะเพราะว่ามันไม่คิดแต่ว่าขณะเดียวกันเนี่ยมันเกิดโทษเกิดภัยก็คือทําให้เราสมองเราไม่โล่งไม่โปร่งมันทึบมันตื้อมันหนักก็เลยมันต้องผิดแน่หนึ่ง อีกอันนึงมันถูกอีกอันมันผิดแล้วมันยังไงทีนี้เพราะนั้นหลังจากนั้นก็ต้องเรียนรู้เพิ่มเติมจากได้ยินได้ฟังเรื่อยๆนะมันจึงได้ถอดถอนสิ่งที่เราผิดออกไปแต่ก็มีแต่ก็มีหลายครั้งนะที่ที่มันพบด้วยตนเองแต่ว่ามันก็ไม่เชื่อตัวเองเช่นอย่างเช่นเราดูความคิดเนี่ยดูเป็นห้าวันเจ็ดวันไปแล้วมันเครียดมันล็อกสมองนี่ไม่โปร่งแล้ว ทีนี้ตอนหลังเหมือนกับว่าใจเนี่ยมันบอกว่าลองดูที่ทั้งนั้นลองเลิกปฏิบัติคือหมายความว่าไม่ทําวิธีการอย่างนั้นแล้วลองเลิกดูไม่ไปดูความคิดแบบเพ่งๆแล้วเราก็ลองทําดูแล้วก็เดินเล่นๆสบายสองสามวันห้าวันเจ็ดวันเอา้าปรากฏว่ามันปกติแล้วความเครียดอะไรมันก็หายไปใช่ไหมเลยรู้ว่าการปฏิบัติเนี่ยมันไม่รู้มันถูกหรือมันผิดยังไงมันก็ มันก็คือตัดสินไม่ได้อะนะเพราะว่าตามรูปแบบที่เราเห็นโยมที่ปฏิบัติเนี่ยส่วนมากนั่งปิดตาหน้าดังหน้าดำคําเครียดเราก็จะบอกว่าจะเดินเดินจงกลมหรือจะทำอะไรให้มันสบายเนี่ยมันคงไม่ถูกมั้งเราไปยึดรูปแบบของคนอื่นก็เลยกว่าจะรู้ว่ามันผิดเนี่ยต้องฟังครูบาอาจารย์เพิ่มเติ ม, ต, มต้องอะไรเยอะแล้วก็ต้องมาลองดูเปรียบเทียบกัน เพราะนั้นอย่างการปฏิบัติธรรมเนี่ยเราจะต้องลองด้วยนะต้องเปรียบเทียบต้องเปลี่ยนทําแบบนี้บ้างทําแบบโน้นบ้างแบบนี้บ้างแล้วก็เทียบความสมดุลเราเองว่าแบบไหนที่มันมันถูกมันเบามันโล่งมันโปรง่งมันสบายนะถ้าเราไม่เทียบนะเราจะมุ่งหน้ามุ่งตาทําแบบวิธีเดียวเนี่ยอย่างเงี้ยเราไม่รู้อีกสิ่งหนึ่งว่ามันเป็นยังไงเพราะฉะนั้นจะต้องมีสองสิ่งให้เราเลือกให้พิจรารณาว่าแบบไหนมันตึงเกินไปแบบไหนมันหลวมเกินไป อย่างความรู้สึกตัวเหมือนกันเมื่อก่อนอาตมาก็ช้าช้าช้ายกมือก็ช้าเดินก็ช้าพูดก็ช้าดัดจริตมากกินเคี้ยวก็ช้าไปหมดเลยนะจนกระทั่งคนรอบข้างเนี่ยลำคานแต่เราก็ไม่รู้ลำคางก็เรื่องของเขาเราก็ถือว่าอย่างนี้เนาะเราจะทาอย่างนี้มันช้าจริงๆก็ช้ามาก็หลายปีเหมือนกันนะว่าไปแล้วเนี่ยมันช้ามันผิดปกติทีนี้ จนกระทั่งอาตมาลองลองใช้ศิละปะแบบเล่นๆดูบอกว่าเออการเดินช้าๆมันรู้สึกได้ลองเดินให้เร็วขึ้นอีกหน่อยหนึ่งสิมันรู้สึกได้ไหมอ้าวมันก็รู้สึกได้นี่ชัดกว่าเก่าด้วยซ้ำเอาลองให้เร็วอีกรู้สึกได้ไหมเ อ, อ้ามันก็ได้ทีนี้เอาละลองหลายท่ามากเลยทั้งก้มทั้งเอยทั้งเหวี่ยงทั้งยกเขาเรียกว่าแบบสมัยก่อนเป็นค า, าราวาดนะเขาเรียกว่าลองแบบชกลมคล้ายๆนักมวย ชกบ้างต่อยบ้างเอา้าโหความรู้สึกมันยิ่งทั้งตัวด้วยซ้ําอ่ะคล่องแคล่วว่องไวด้วยเบาหวิวด้วยก็เลยว่าเอา้าความรู้สึกตัวมันไม่ใช่รูปแบบที่เรายกมือเสร็จแล้วนี่ไม่ใช่เดินแบบอย่างช้าก็ได้ทําเร็วก็ยิ่งรู้สึกชัดแล้วก็เบาคล่องด้วยไม่เพ่งด้วยหลุดจากการเพ่งด้วยเนาะก็เลยมาฝึกเอา้าความรู้สึกตัวเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วมันเมื่อมันรู้สึกตัวได้ก็ไม่จําเป็นต้องช้าแล้ว เพราะฉะนั้นต้องเอาตามปกติของเราจะช้าก็ได้จะเร็วก็ได้ตามแต่โอกาสโอกาสไหนเราช้าเช่นเราเดินในที่ที่ต้องสำรวมใช่ไหมเราก็ต้องแบบช้าๆไปสำรวมไปแล้วก็รู้สึกได้ตรงไหนที่ต้องใช้ความรวดเร็วคล่องแคล่วว่องไวอย่างการข้ามถนนขึ้นรถลงเรืออะไรเนี้ยเราก็ต้องเปลี่ยนเร็วได้เพราะฉะนั้นจะช้าจะเร็วเนี่ยสติเนี่ยมันไม่ได้ใช่เรื่องของช้าเรื่องของเร็วแต่เรื่องของช้าเรื่องของเร็วเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ให้ เกิดสติเดี๋ยวจะใช้คาว่าตรงนี้ยังไงเพื่อให้โยมเข้าใจนะเช่นการเดินเนี่ยกริยาเดินเนี่ยมันไม่ใช่สตินะการนั่งก็ไม่ใช่สติการนอนก็ไม่ใช่สติแต่การเดินเนี่ยเป็นเป็นเหตุให้เกิดสติโยมลองนึกดูนะถ้าไม่เดินเนี่ยอยู่เฉยๆเนี่ยโยมจะรู้เดินได้ไหมก็ไม่ได้ใช่ไหมแต่โยมต้องเดิน แล้วจึงจะรู้ว่ากำลังเดิ น, นเพราะฉะนั้นตัวเดินเนี่ยไม่ใช่ตัวสติตัวนั่งก็ไม่ใช่ตัวสติตัวนั่งเนี่ยเป็นตัวเหตุให้เกิดสติถ้าเราไม่นั่งเราจะรู้ไม่ได้เราจะรู้ไม่ได้ว่าเรานั่งอยู่ใช่ไหมคือมันจะเป็นเป็นเหตุปัจจัยกันอย่างอารมณ์ทางจิตใจก็เหมือนกันนะอารมณ์ทางจิตใจเนี่ยถามว่าความโกรธเป็นสติไหมความโกรธก็ไม่ใช่สติ ความเบื่อกเป็นสติไหมก็ไม่ใช่แต่มันเป็นเหตุที่จะให้เกิดสติได้เพราะมันจะต้องมีกโกรธก่อนจึงจะระลึกได้ใช่ไหมเออมันจะต้องมีโกรธแล้วจึงรู้ว่าโกรธถ้าไม่โกรธจะไประลึกว่าโกรธก็ไม่ได้เพราะโกรธไม่มีให้ระลึกใช่ไหมเออเพราะฉะนั้นความโกรธก็ไม่ใช่ตัวสติแต่เป็นเหตุให้เกิดสติการยกมือก็ไม่ใช่สติแต่การยกมือเนี่ยเป็นเหตุให้มีสติเออแม้กระทั่งความหลง นะที่เราหลงลืมไปเนี่ยอย่างเช่นเราสมมตินะที่เป็นบ่อยๆก็เรื่องการสวดมนต์อาตมาสวดมนต์ไม่ว่าทาวัด ร, รอบเช้ารอบเย็นนะก็มีผิดการสวดมนต์ผิดถามว่าเป็นตัวสติหรือเปล่าก็ไม่ใช่แต่เป็นเหตุให้เกิดสติว่าอ้าวสวดมนต์ผิดแล้วคือระลึกได้ขึ้นมาว่าอ้าวสวดผิดแล้วแล้วมันก็มาเปลี่ยนเป็นให้ถูกเสียนี่เ้าเรียกว่าหลงหลงเป็นเหตุ ให้รู้ที่หลวงพ่อคำเขียนว่าหลงน่ะก็ดีเหมือนกันเป็นเหตุให้รู้ถูกเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทำขึ้นมาเจตนาขึ้นมาเนี่ยมันเป็นเขาเรียกว่าทำเหตุทำเหตุขึ้นมาเพื่อให้เกิดผลอีกอันหนึ่งอ่าอย่างเราพลิกมือเนี่ยเห็นไหวางมือเฉยเฉยเนี่ยมันก็รู้แต่พอพลิกปั๊บเนี่ยมันระลึกได้มันรู้ได้พลิกรู้หยุด เพื่อรู้ตัวเนี้ยเป็นเหตุให้เกิดสติเพราะฉะนั้นสติเนี่ยมันจึงสามารถระลึกรู้อะไรก็ได้เกี่ยวกับกายเกี่ยวกับใจนะจะช้าจะเร็วจริงๆมันไม่เกี่ยวนะยิ่งหยาบยิ่งระลึกรู้ได้ชัดนะยิ่งอมันมันละเอียดบางทีระลึกรู้ได้ยากเพราะฉะนั้นอย่างอุบายที่เราปฏิบัติกันทุกวันเนี้ยก็คือ ใช้กายซึ่งเป็นอารมณ์หยาบทำให้ใจมันไปรู้ได้ง่ายนะใจมันรู้ได้ง่ายแต่ขณะเดียวกันเมื่อเมื่อมันรู้หยาบได้สิ่งที่ละเอียดใจก็รู้ได้เหมือนกันเพราะในหยาบมันก็มีความละเอียดอยู่ในความละเอียดมันก็มีหยาบอยู่นะมันก็เห็นเห็นได้นะที่เล่าประสบการณ์ มันก็ฟังแล้วก็น่าเบื่อนะเพราะงั้นก็พวกเราในฐานะที่เป็นผู้ที่ปฏิบัติกันมานานเนาะแม่ชีก็เห็นหน้าคุณตาก็มานานหลายปีละเพะเนี่ยอยู่แถวหน้านะส่วนคนกลางกลางคนใหม่ๆหม่ก็ก็ยังไงก็ต้องมีความเพียรอยู่ดีเนาะคนเก่าก็ไม่ทิ้งอยู่แล้วละ่ะคนเก่ากไม่ทิ้งคนกลางๆ ก, งก็ก็คิดว่าจะไม่ทิ้งเหมือนกันแต่คนใหม่เนี่ย นะได้เริ่มเข้ามาในวงของกรรมฐานแล้วก็ให้มีความเพียร น, นะมีความตั้งใจเพราะว่าการฝึกสตินี่แหละเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับชีวิตที่เกิดมาแล้วนะเพราะว่าถ้าขาดสติก็คือมีแต่ความหลงนะให้โทษให้ความหลงก็คือนั่นแหละนํามาแห่งอบายยภูมินะถ้ามีสติก็คือทําให้เราเป็นผู้ที่ตื่นรู้นะ รู้อารมณ์ทุกสิ่งทุกอย่างนะทุกก็รู้ไม่ทุกก็รู้โกโรธก็รู้ไม่โกโรธก็รู้นะก็รู้ทุกสิ่งทุกอย่างก็ทำให้เราหลุดพ้นมาจากสิ่งที่มันไปรู้ได้ไม่ว่าจะไปรู้อะไรก็ตามถ้ามีสติมันก็มีแต่ความหลุดพ้นแต่ถ้าขาดสติก็จะหลงซึ่งมันจะตรงกันข้ามเนาะเพราะงั้นที่หลวงพ่อคำเขียนท่านได้สอนพวกเราบอกว่าถ้าเรามีสติแล้วเนี่ยนะรู้สึกตัวแล้วก็จะพ้นจากทุกสิ่งทุกอย่าง เช่นเมื่อมันหลงนะพอมีสติมันก็พ้นจากความหลงเมื่อโกรธเมื่อมีสติมันก็จะพ้นจากความโกรธนะเมื่อโลภเมือ่อโกรธเมื่อหลงมันพ้นหมดนะเพราะงั้นพวกเราก็ขอให้มีความตั้งใจมีความเพียรในการปฏิบัติกันนะเพื่อจะได้นำพาชีวิตนี้พ้นจากทุกภัยทั้งปวงนะทุกท่านทุกคนเธอ